อิติปิโสภควางเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอาลังเป็นผู้กลจากกิเลสสมมาสมปุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณสัมปัโรธเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่แจ้ ง, จงอนุตตรปุริสธรรมมสาสรที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวามนุษยานางเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายพุทโตเป็นผู้รู้ผู้ตินผู้เบิกบานด้วยธรรมพระทวาติี เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามสั่งสอนศาสตร์ดังนี้สวาวกาโตภะกวาตาธรโมนิยงเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดไว้ดีแล้วสารทิฏกนเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อภาาัยโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกันเอพาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานะนิโกเป็นสิ่งที่ควร น, น้องเข้ามาใส่ตัว ตาจะตังเวทิตาโพวินยูยิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพอตุนดังนี้สุาฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังคุลสงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้ว อยจุปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสมสาวกของพระผู้มีพระภาคย่ามุไดปฏิบัตตรงแล้วยาญาปติปันโนภควโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของรพระผู้มีพราาะภาคเจ้ามูได์ปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีามจิปตาติปันโดปะกะวะโตสาวะกะสังโณทรงสาวของรพระผู้มีพราาะภาคเจ้ามูได์ปฏิบัติสมควรแลว้วยาติพัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือาตาริบุริสายุกานิอาตตาบุริสตาภูกรรู่แห่งบุรุษสีคูนับเปลียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะวะโตสาวกสังโฆนั่งแลทรงสาวกของพระผู้มีสระภาเจ้าอาอุเนโย เป็นสองควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาป่าหูเนยโยเป็นสองควรแก่สการะทก่เขาจัดไว้ต้อนรับเถอากินเนยโยเป็นผู้ควรรับทักที่นาคันอันจะดีกระนิยโยเป็นผู้ทีุู่กกันตัวไปควรทำอันจะดี อรูธารางกุญยาเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้